จึงได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาเจริญมรรคที่มีองค์แปดที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเป็นทางที่จะพาไปสู่ความสุขความเจริญความร่มเย็นความสิ้นแห่งความทุกข์ทั้งหลาย เป็นทางที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันต์ตาสมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตาวคทั้งหลายได้ดำนินไปถึงแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้มืดบอดด้วยปัญญาไม่รู้ทางที่แท้จริง ว่าอยู่ตรงไหนถูกความมืดบอดถูกความหลงหลอกให้พาไปในทางตรงกันข้ามกับที่ตนปรารถนาตนปรารถนาที่จะมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่กับเดินทางไปสู่ความทุกข์เดินทางห่างไกลจากความสุขชีวิตของสัตว์โลก ยังมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีความสุขก็เป็นความสุขที่เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ไว้ลออปลาให้มาติดเบ็ดเหยื่อที่อยู่ติดปลายเบ็ดนั้นก็เป็นอาหารเป็นเศษอาหารสาหรับปลาที่โง่ที่ไม่ฉลาดพอเห็นเศษอาหารลอยอยู่ก็ไปฮุกมันเข้าไป ไม่คิดว่าจะบีตะขอเบ็ดเกี่ยวคอตามมาฉันใดความสุขของสัตว์โลกที่ได้มาจากการเสพการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพเพะต่างๆเช่นการได้ดูหนังฟังเพลงได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้มีความสุขก็จริง แต่ไปความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์แถมมาอีกมากคือความที่จะต้องติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ติดเหมือนกับคนติดยาเสพติดยาเสพติดนี่เราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไรคนเสพกับคนไม่เสพนี่มีความแตกต่างกันอย่างไรคนไม่เสพเขาก็ไม่ทุกข์ถึงแม้เขาจะไม่สุข แต่เขาก็ไม่ปรารถนาความสุขแบบนั้นว่าความสุขแบบนั้นมันเป็นความสุขที่ตามมาด้วยความทุกข์ที่แสนทรมานสู้ทุกต่อการต่อสู้ความอยากที่จะเสพแล้วไม่ต้องไปทุกข์กับความทุกข์ที่เกิดจากการขาดยาเสพติด เวลาขาดยาเสพติดแล้วจะทรมานมากบางคนถึงกับตายไปก็ได้ถ้าถ้าติดมากๆฉันใดความสุขในทางโลกก็เป็นเหมือนกับยาเสพติดมีความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทำให้สัตว์โลกต้องติดอยู่กับการเสพความสุขแบบนั้นต้องดินน้นรนต้องต่อสู้ ต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาแต่หารู้ไม่ว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ทำให้ตนเองต้องทุกข์อย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นถึงแม้ได้สิ่งที่ตนได้มาแล้วก็ยังต้องทุก์กับสิ่งที่ได้มาทุก์ด้วยความห่วงใหญ่ด้วยความกังวล ทุกข์ด้วยความห่วงแหนทุกข์ด้วยความเสียดายเวลาที่สิ่งที่ตนได้มานั้นต้องจากตนไปพระพระพุทธเจ้าซึ่งทรงประสูติในพระราชวังอยู่ท่ามกลางความสุขแบบนี้อย่างมากมายแต่ทรงเห็นว่า มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะทรงบำเพ็ญปัญญาบารามีมามากมีสติคอยสังเกตดูใจของตนว่ามีสุขหรือทุกข์ทรงสังเกตว่าถึงแม้จะมีสมบัติเงินทองมากมายมีบริษัทมีบริวาร มีเครื่อมบำรุงบำเรอทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่กับทรงเห็นว่าจิตใจไม่มีความสุขเลยจิตใจนี้ต้องคอยแกว่งไปแกว่งมากับการกับความอยากกับความเสียใจกับความดีใจเวลาอยากอะไรได้ก็ดีอกดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียอกเสียใจ ไม่เคยพบกับความสุขที่จีรังถาวรเลยจึงทรงใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาก็ทรงเห็นว่าทางเดียวที่จะให้ความสุขกับจิตใจก็คือต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆให้มาบำรุงบำเลอมาให้ความสุขกับตนเพราะ มันก็จะเป็นเหมือนกับยาเสพติดนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะไม่เรียกว่ายาเสพติดมันก็เป็นสิ่งเสพติดทุกวันนี้เราอยู่เฉยๆกันได้ไหมไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ไปเที่ยวที่นั่นไม่ไปเที่ยวที่นี่ไม่ไปดื่มไปรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นต่อการดูแลอัตภาพ ร่างกายของเราได้หรือไม่อยู่แบบกินเพื่ออยู่ได้หรือไม่อย่าอยู่แบบเพื่อกินได้หรือไม่ถ้ากินถ้าถ้ากินเพื่ออยู่ก็ไม่ชู้จี้จุกจิกไม่ต้องแสวงหาอาหารรสชาติต่างๆตามร้านค้าต่างๆมีอะไรที่บ้านก็รับประทานให้มันอิ่มท้องก็ใช้ได้แล้ว มีไข่ทอดมีผักต้มจิ้มน้ำปลากินให้มันอิ่มท้องแค่นี้ก็ถือว่าพอเพียงแล้วถ้ากินแบบนี้เรียกว่ากินเพื่ออยู่ถ้าอยู่เพื่อกินก็จะอยู่เพื่อความทุกข์เพราะจิตใจจะปรุงแต่งคิดถึงอาหารชนิดต่างๆคิดถึงสถานที่บริการขายอาหารต่างๆคิดถึงความหรูหรา คิดถึงความบันเทิงที่มีมาพร้อมกับอาหารเช่นไปกินอาหารตามร้านที่หรูหราก็จะมีการแสดงประกอบไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ากินอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินกินแบบนี้ก็จะต้องทุกข์ทรมาน เพราะว่าจะติดจะวุ่นวายกับการรับประทานอาหารในแต่ละมือถ้าไม่ได้รับประทานอาหารตามสถานที่ตนเองปรารถนาไม่ได้รับประทานอาหารที่ตนเองต้องการก็จะไม่มีความสุขแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกวันกินวันนี้ผ่านไปแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมีปัญหาตามมาอีกก็ต้องคิดอีกว่าจะไปกินที่ไหนดีอีกถ้ากินที่เก่าที่เดิมบ่อยๆเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความสุขอีกก็ต้องหาที่กินอีกและการกินแบบนี้ก็จะเสียเงินมากก็จะต้องไปเด่นรนหาเงินหาทองเพื่อมาบำรุงบำเรอความสุขแบบนี้ ถ้าหาไม่พอด้วยวิธีสุจริญก็จะต้องหามาด้วยวิธีทุจริตไปช่อฉลนไปหลอกลวงไปลักขโมยไปทําผิดศีลผิดธรรมผลเสียก็จะกระทบกับจิตใจจิตใจก็จะเสื่อมต่ําลงไปจิตใจจะสูงจะต่ำนี้ไม่ได้อยู่ที่ความร่ํารวยไม่ได้อยู่ที่ฐานะ อยู่ตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศัก์แต่อยู่ที่ศีลธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือมีน้อยจิตใจก็เสื่อมจิตใจก็ต่ำลงถ้ามีศีลมากจิตใจก็สูงขึ้นเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อเห็นดังนั้นแล้ว จึงกล้าตัดสินใจสะละราชสมบัติออกบวชอยู่แบบขอทานเช้าก็อุ้มบาตรเข้าไปในบู่บ้านแล้วแต่ชาวบ้านจะใส่อะไรให้ก็รับไปรับประทานที่อยู่ก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเบือนร้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่ห่มก็หาเศษผ้า ที่ทิ้งไว้ในป่าช้าบ้างทิ้งไว้ในกองขยะบ้างแล้วก็นำเอามาตัดเอามาเย็บเอามาปะเอามาต่อแล้วก็เอามาย้อมด้วยน้ำฝาดจากแก่นไม้เอาแก่นไม้นี่มาต้มให้ด็เดือดแล้วก็เอาน้ำที่ต้มนี้มามาซักมาย้อมผ้าส่วน ส่วนยารักษาโรคก็ตามมีตามเกิดสมุนไพรชนิดต่างๆหรือแม้กระทั่งปัสสวะก็ใช้เป็นยารักษาโรคได้ก็อยู่ได้คนเรามีเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้ไม่เห็นจะต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองแทบเป็นแทบตายทำผิดศีลผิดธรรมแล้วก็เอามาใช้ แบบฟุ่มเฟือยเอามาใช้แบบสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจพราะจะทาให้จิตใจต้องติดอยู่กับการใช้เงินใช้ทองวันไหนไม่ได้ใช้เงินใช้ทองแล้วจะรู้สึกงุดหงิดลาคาญใจกุ้ม อ, อกกุ้มใจถ้าเงินมันออกจากกระเป๋าแล้วรู้สึกสบายใจแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นปัญหาตามมา เพราะวันต่อไปเวลาจะใช้เงินถ้าเงินมันขาดมือขึ้นมาก็ล ำ, ลำบากอีกดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปหลงกับการหาความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงต้องละต้องสละต้องไม่พึ่งพาสิ่งต่างๆภายนอก มาให้ความสุขให้หาความสุขจะภายในคือทำใจของเราให้สงบให้ได้ถ้าใจเราสงบเมื่อไหร่เราจะได้พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เหนือกว่าความสิขความสุขทั้งหลายในโลกนี้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถสันติปรังสุขขันสุขที่เหนือกว่าความสุข ที่เกิดจากความสงบของจิตใจนี้ไม่มีความสุขที่ได้จากการได้เงินได้ทองมาก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากการได้รับเลื่อนตำแหน่งได้รับเหรียญตราได้รับแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักด์ก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ ความสุขที่ได้รับจากการสรรเสริญยกย่องเยือนยอก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดผัพภะทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นได้ไปเทีย่ยวได้ไปรับประทานอาหารตามสถานที่ที่หรูหราได้ไปดูหนังได้ไปฟังเพลงได้ไปเต้นรําได้ไปนอนกับคนที่เรารัก ก็ยังสู้กับความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันมีน้ําหนักมากถ้าเปรียบเป็นอาหารก็เป็นเหมือนอาหารอาหารจริงๆไม่ใช่อาหารว่างความสุขที่พวกเรามีกันจากการได้ราบยศสรเสริญสุขเป็นเหมือนกับอาหารว่างกินเข้าไปแล้วอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็หิวอีก ไม่เหมือนกับอาหารจริงที่กินเข้าไปแล้วจะอยู่ได้เป็นเวลาอันยาวนานนี่แลเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคือความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจและทรงรู้วิธีที่จะทําให้ความสุขนี้เกิดขึ้นมาทรงเรียกว่ามัจคือทางที่จะพาไปสู่ความสงบสุขของจิตใจ มีส่วนประกอบอยู่8ดส่วนด้วยกันเริ่มด้วยที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบนี้เป็นอย่างไรเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงกรรมมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงมีการเวียนว่ายตายเกิด มีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีความสุขที่แท้จริงคือความสงบของจิตใจนี่คือความเห็นที่ถูกต้องส่วนความเห็นที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่ามิชฉาทิฏฐิก็คือเห็นว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูญไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มี อย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับความจริงดังนั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นก็คือเราต้องพยายามสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นให้ได้วิธีหนึ่งก็คือการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาให้มากอ่านให้มาก หรือไปฟังเทศฟังธรรมกับพระที่เป็นสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นพระอริยสงสาวกทั้งหลายถ้าไปได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านบ่อยๆก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเพราะท่านจะสามารถอธิบายแยกแยะย ก, ยกตัวอย่าง ให้เห็นได้จนไม่มีข้อสงสัยหลงเหลืออยู่เลยฟังบ่อยๆแล้วจะเชื่อว่าบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริสงสารกทั้งหลายได้เห็นแล้ว ด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติมักนี้เองในเบื้องต้นท่านก็เห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงต้องอยู่ที่ความสงบของใจเมื่อดูแล้วก็สรงคิดว่าจะทำอย่างไรการที่จะทำให้เกิดความสงบความสุขที่แท้จริงก็ต้องทำบุญละบาปต้องชาระความโลภความโกรธความหลง ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องคือการกระทำที่ถูกเรียกว่าสัมมากรมมันโตการกระทาที่ถูกคือต้องไม่เบเป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีนี่คือการกระทำที่ถูกต้องไม่เสพสุรายาเมานี่คือเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปเมื่อรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในค ว, ความสงบของใจอยู่ในการปฏิบัติ ด, ดีทำดีก็ต้องทำแต่ความดี การกระทำที่ไม่ดีก็ต้องตัดมันออกไปการพูดไม่ดีก็ต้องตัดเช่นเดียวกันคือต้องมีสัมมาวาจาต้องไม่พูดปดไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดนี่คือคำพูดที่ไม่ดีพูดไปแล้วจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเวลาจะพูดอะไรให้พูดความจริงถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเบี่ยงคําพูดไปพูดอย่างอื่นแทนก็ได้หรือนิ่งเฉยก็ได้ถ้าเราไม่พูดสักอย่างใครจะมาบังคับให้เราพูดได้เวลาพูดก็อย่าไปพูดคำหยาบให้พูดคำสุภาพพูดความจริงพูดด้วยความสุภาพ แล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์ฟังไปแล้วเหมือนขยะขยะมันไม่มีประโยชน์อะไรขางพูดเพ้อเจ้อต่างๆเช่นการนินทาการเล่ผู้อื่นก็เป็นเหมือนกับขยะนีน้เองอย่าไปพูดให้เสียเวลาเสียประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรและการพูดสอเสียดก็ไม่ควรพูด การพูดสอเสียนี้หมายถึงการพูดยุยงให้เกิดความแตกสามะขีกันเช่นไปยุยงให้สามีภรรยาเขาโกร i กันเกลียดกันยุยงให้คนนั้นคนนี้เขาเกลียดชังกันถึงแม้จะเป็นความจริงก็ไม่ควรพูดปล่อยให้เขาไปพ บ, พบกับความจริงนั่นเองก็ได้ เราอย่าไปสร้างความแตกสามคกีให้กับคนอื่นเพราะจะทำให้เขาทุกข์ไม่ใช่เป็นการปาถนะดีนี่คือการกระทำและการพูดที่ถูกต้องที่ดีที่จะตามมาถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็คิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องแล้วเราก็จะ ดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทิศทางที่ดีที่งามคือมีอาชีพที่ดีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นสำมาชีพอาชีพที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นค้ า, ข, าข้าสุราค้ายาค้ายาเสพติดค้าสารพิษต่างๆค้าอาวุธ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดโทษกับผู้อื่นได้ข้าสุราคนดื่มสุราเมื่อเมาแล้วไปขับรถยนต์ก็จะไปประสบอุบัติเหตุไปทำให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิตได้หรือเมาแล้วกลับบ้านก็ไปทะเลาะกับภรรยาไปทุบตีภรรยา ถ้าไม่มีสุราขายก็จะไม่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ตามมาดังนั้นเราจะทำมาหากินก็ขอให้เราคิดให้ดีว่าการทำมาหากิกนของเรานี้ทำอยู่บนชีวิตของผู้อื่นหรือเปล่าเช่นไปจับปลามาขายค้าเป็ดค้าไกา่ค้าเป็ดค้าไก่มาขายค้าวัวค้าควายอาชีพเหล่านี้ ไม่ได้เป็นอาชีพที่จะนำไปสู่ความสุขและความเจริญไปสู่ความสงบของจิตใจต้องระงับอย่าทำหาอาชีพอื่นอาชีพที่ดีที่สุดก็คือเป็นพระเป็นชีอาชีพนี้ไม่ไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครมีแต่จะทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและให้กับตนเอง รองลงมาก็เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนผู้อื่นให้มีความรู้ร <Yeah. S 1> องลงมาก็เป็นแพทย์เป็นพยาบาลดูแลรักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอาชีพแบบนี้ <Yeah. S 1> เรียกว่าสัมมาอาชีพขอให้เราพิจารณาดูให้ดีว่าเรากำลังมีอาชีพอย่างไรอยู่ ถ้าเป็นมิจฉาชีพก็ควรที่จะเลิกเสียถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็พยายามทำความเข้าใจว่าเมื่อมีโอกาสพอที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ก็จะเปลี่ยนทันทีนี่คือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับอาชีพข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียร คนเรานั้นจะเจริญได้จะไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ได้ไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมะก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้ามีความเกียจค้าแล้วจะไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะต้องการอะไรขอให้เรามีความขยันหมั่นเพียร แะความพยันต์หมั่นเพียร น, นี้จะต้องอยู่ในกรอบของการกระทําที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นถ้าเราทําบาปเราก็ต้องเลิกเสียถ้าเรายังทําบาปอยู่เพื่อที่จะให้เราร่ํารวยเราก็ต้องอย่าไปทําทําแต่คือทําได้แต่อย่าไปทําบาป อยากจะได้อะไรมาก็ขอให้หามาด้วยความถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมความความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่างองมืององเท้าหรือแบบือแบบมือขอคนนั้นขอคนนี้เราไม่ใช่คนพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเรามีสติมีปัญญา เรามีอาการครบสาสสองเราสามารถหาสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของเราเองอย่าลดฐานะไปเป็นขอทานไม่มีศักดิ์ศรีเราต้องหาสิ่งต่างๆมาด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะเป็นที่พึ่งของเราเราจะไม่ต้องมาห่วงมากังวลกับคนที่เราคอยพึ่งพาอาศัยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไป แล้วเราจะอยู่อย่างไรเราจะไม่ต้องกังวลอย่างนั้นเพราะเราจะพึ่งตัวเราเองไปได้ตลอดนี่คือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรข้อต่อมาคือ ส, สอนให้เรามีสติสัมปชัญญะคือให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังพูดอะไรกำลังทำอะไร กำลังคิดอะไรให้รู้ว่าเรากำลังคิดดีหรือเปล่าพูดดีหรือเปล่าทำดีหรือเปล่าเช่นถ้าเรากำลังจะคิดไปดื่มสุราหรือกำลังจะดื่มสุราเราก็ต้องรู้สึกตัวว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรามีสติเราก็จะระงับการกระทําที่ไม่ดีได้เมื่อเราไม่กระทําในสิ่งที่ไม่ดี ผลเสียหายต่างๆก็จะไม่ทำมาแล้วเราจะทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราทำแต่สิ่งที่ดีเรื่อยๆต่อไปเราก็จะได้รับผลที่ดีที่งามตามมาดังนั้นเราจึงควรฝึกสติอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของกายของวาจาและของใจเราอยู่เสมอและ ให้ไปในทิศทางที่ดีอย่าปล่อยให้ไปในทิศทางที่ไม่ดีถ้าไม่มีสติแล้วมันจะไปในทิศทางที่ไม่ดีได้เช่นคนที่ดื่มสุราจนมึนเมาจะไม่มีสติการกระทานี้จะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเวลาไม่ดื่มนี้จะสุภาพเรียบร้อยแต่พอดื่มเข้าไปแล้วกลายเป็นเหมือนกับสุนัขไป เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยคนความจิตมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันเพียงแต่ทำให้ไม่มีสติเท่านั้นเองเมื่อไม่มีสติแล้วนิสัยที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ดีที่มีอยู่ภายในใจก็จะถูกปล่อยออกมาทางกายทางวาจาแต่ถ้ามีสติก็จะมีเหมือนกับมีประตูไว้คอยกั้นเวลานิสัยที่ไม่ดีจะออกมาเพ่นพ่านก็จะถูก กั้นเอาไว้สตินี้เป็นเหมือนตัวกัน้นสิ่งที่ไม่ดีเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ตัวที่ดีนั้นได้ออกมาทาได้ออกมาแสดงเพื่อที่จะได้มีผลดีที่จะตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เราฝึกตั้งสติกันอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไป ตามความคิดต่างๆเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรและประการสุดท้ายสงสานให้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่เรื่อยๆไปยามดึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเวลาที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆก็ให้กำหนดจิตอยู่กับพุทโธพุทโธไปก็ได้ให้กำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือให้กำหนดอยู่กับบทสวดมนต์ไปก็ได้สวดอรหังสัมมาอิติปิโสไปวนไปเวียนมาอยู่เรื่อยๆจิตจะเย็นจิตจะสบายจิตจะมีความสุขจิตจะไม่ปั่นป่วนไม่วุ่นวาย ถ้าจิตสงบแล้วจิตก็จะไม่ไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีจะไม่ไปพูดไม่ดีจะไม่ไปทำไม่ดีจะทำแต่สิ่งที่ดีจะคิดแต่สิ่งที่ดีจะพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าจิตวุ่นวายปั่นป่วนด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยอารมณ์โลภด้วยอารมณ์กโกรธ ด, ด้วยอารมณ์หลงก็จะไปพูดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม แล้วก็จะนำปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆมาให้กับใจมาให้กับตนเองนี่คือข้อปฏิบัติ8ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาที่ต้องการจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้เอานำไปปฏิบัติ คือหนึ่งให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสองสให้มีสัมมากสัมมาสามกโปโวคือให้มีความคิดที่ถูกต้อง 3. ให้มีสัมมากรรมโตคือมีการกระทาที่ถูกต้อง 4. ีให้มีสัมมาวาจาคือการการพูดที่ถูกต้องห้าให้มีสัมมาอาชิว มีอาชีพที่ถูกต้อง 6. ให้มีสัมมาวายาโม О, คือให้มีความภาคเพียงที่ถูกต้อง 7. ให้มีสัมมาสติคือให้มีการะระลึกรู้อยู่กับการกระทาของกายวาจาใจตลอดเวลาและ 4. ให้จิตมีสัมมาสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ระงับจากความฟุ้งซ่านต่างๆระงับจากความวุว่นวายใจระงับจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราสามารถบำเพ็ญข้อปฏิบัติทั้งแปดข้อนี้ได้รับรองได้ว่าจิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะมีแต่ความเจริญจะเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาสำหรับผู้อื่น ดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญมรรคที่มีองค์แปดนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอหยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสง์